มันพลิกขนองมีอะไรสำคัญตัวเพื่อนจิตพลาดขันมันมีกําลังแล้วจิตมันจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตให้พึิกขนองได้เมื่อมีกําลังแล้วมันก็ไปหนุนจิตไเนี่ยทําให้พึิกขนองได้แล้วภาวนาให้สงบมันไม่ยอมสงบมันดิ้นเลยเราจึงต้องพัก อาหารเพื่ออาหารน้อยลงไปเมื่ออาหารน้อยลงไปร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ควรจิตไม่หนุนจิตไม่ควรจิตมันจิตแม้ก็ไม่ดิบไม่ดิด้นมากเหมือนตอนที่ธาตุขันมีกําลังนัน่นแล้การภาวนาก็ให้สองบออตัวเราจะได้ง่ายเนี่เห็นไหมคนนั้นจิตต้องได้อดบ่อยๆเพื่อให้ภาวนานละเอียดเข้าไปเรช่วยๆเพ่อเื่อการภาวนาทั้งหละเพื่อการานานอาหาร พูดถึงเรื่อจิตที่ยังไม่สงบมันทั้งบได้ง่ายกว่ากันถ้าจิตสงบแล้วก็สงบได้ดีเนี่ยถ้าออกทางด้านปัญญามันก็คล่องตัวนั่นมันจะอย่างนั้นนะคือบัญญาก่องตัวแล้วก็ดนไปไปบอกมันไม่ถูกนะเจ้าของต้องต้องรู้ในเะจ้าของเองแต่ผมกำว่าปฏิบัติเพื่อความฉลาดหาความฉลาดก็ต้องให้รู้วิธีใดก็ดีมันดูกับตัวแ ท, ท, ทนดูวายวิธีเหล่านี้ มันจะหนักมากไปเราก็คอนมันได้เฮ้ยเวลอันนี้พระพุทธเจ้าดินตไอดินตะบาทกับพระอน์ น, นลละ่ะดินตะบาทพอเห็นหมาตัวนั้นพระพระองค์ทรงยิ้มแสดงเหตุผลพระอนค์ก็ทูลถามเาว่านี่เห็นไ ม, ม่นั่นนั่นพระเศษผีน่ะ ตามแล้วอืห่วงครับสมบัติเลยมาเกิดเป็นหมาหน่เห็นไหมห น, นะมเน่เนี่ยหมาตัวนี้หัวนั่นนะฟังสิพระเจ้ารู้ขนาดไหนเนี่อแล้วก็พอแล้วนี่ยก็พระนอนก็เลยหาอุบายแนะนอุบายให้เขานะ่ะต่อหลังจากนั้นแล้วนะแนะอุบายให้เขาตามที่พระเจ้าทรงรับสั่งว่า หมาตัวนี้ถ้าเด็กพยายามเลี้ยงดูมันให้ดีเหมือนกับเราเลี้ยงดูเด็กในบ้านเราแล้วแล้วสอนภาษีภาษ า, าอะไรให้มันพอรู้เรื่องแล้วมันจะบอกขุมทรพัพย์นะนี่นะท่านว่านะหมาตัวนี้มันจะมันจะบอกขุมทรพัพย์ให้เจ้าของมันนะครับเพราะมันถูกฐานเจ้าของว่าเขาผ้า้า น, นก็ไปบอกอุบายให้พวก เจ้าของบ้านเราทําอย่างนั้นนะชุดท้ายมันก็มันไปบอกจริงๆเออหมาตัวตัวนั้นมันไปตะกุยดินตะกุยดินวงไหนขุดลงไปเป็นหายเงินเออนั่นนะฟังดิเงินตะก่อนเป็นเงินเหรียญจริงๆนะไม่ใช่เงินกระดาษอย่างทุกวันนี้มันไปตะกุยดินตะกุยดินตรงไหนนะไปนั่นคือสอนให้คือไม่ให้พูดแบบอื่นนะให้พูดแบบพ่อเลยนะเออให้พูดแบบพ่ อ, อนอะไรเนี่ย ให้พูดแบบเหมือนเราพูดกับนันทเสถีว่างั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้พูดมันแบบนั้นกับมันแบบนั้นนะอย่าไปพูดกับมันว่ามูว่ามาให้พูดกับกั บ, ก บ, บพ่อว่าแม่อะไรว่าพ่ออะไรเหมือนกับพูดกับนันทเสถีนะครแล้วเขาเขาจะเกิดความรักความสงสารเขาจะเข้าใจว่าพวกนี้รู้เขารู้มั น, น่ะแล้วก็จะบอกขุมทรัพย์นะ แล้วก็ปฏิบัติอุปถัมภะถากมันเหมือนกันกันกบอุปถากพ่อพ่อคนนั้นจริงๆอะพ่อคนนั้นนะแล้วก็หาอุบายพูดประจบประแจงเอเนียแข้งเนี่ยขาเข้าเรื่องสมบุกสมบัติเอาฝังไม่ที่ไหนคุณพ่ อ, อท่านนี่แล้วังแล้วก็ไปบอกจริงๆอยู่นะนั่นฟังสินี่ในมีในตำรานะนั่นนันท้าเสด็จถีผมจําได้แต่ว่าเป็นนั่นท้าเสด็จถม นี่แหะความต้นีทีนี้ยมันเป็มได้มีหลายหลายหลายเรื่องนะเป็นอย่างนี้ทํานองนี้มีหลายเรื่องแต่ผมผมจําได้เพียงเรื่องนี้เรื่องอื่นเขใคล้ายเขาคาบางบางเรื่องก็มีเป็นเป็นเด็กก็มีก็ เ, เกิดกับคนจันทานอะไรไปเวลาเด็กคนนั้นอยู่ในคันของแม่แม่ไปขอทานที่ไหนก็แม่ได้เนี่ยฟังดู มันไปขวางขนาดนั้นนี่จนกระทั่ทงอยู่ในท้องแม่แม่ก็จะตายด้วยอืและตกคลอดออกมาแล้วถ้าวันไหนเอารูปไปด้วยแล้ววันนั้นขอทางก็ไมไ่เรื่องเนี่ยแน่อย่างนี้ก็มีนะนี่ก็เพราะความเจตหนีทีเดียวของเด็กคนนั้นอ่ะมันไปส่งผลให้จนกระทั่งถึงแม่ด้วยไในรับความรู้สึกเขินด้วยอันนี้ก็มีในตำรามันมากต่อมากอย่างว่าแนละ้วมันจำไม่ได้ถ้าพูดมาก็สัมผัดไปนิดนิ ด, นดแล้วออกมาพูดได้นิดหน่อยหน่อย มันจำไม่ได้พี่กันผมว่ามันก็มีมาในพระสุตตันตปิฎกเพราะเป็นเรื่องของบุคคลของสัตว์ทั้งหลายพระสูตรพระวินัยก็พูดแต่เรื่องของหลักธรรมหลักวินัยไปพระวิธรรมก็พูดถึงธรรมอะไรละเอียดเช่นอย่างวิธรรมในคมพีกันพูดแต่เรื่องจิตเรื่องนามมาทำล้วนๆลวนๆนๆไปเลย เพรางจิตตื่นญานี้ยําคัญมากเป็นตายจะเป็นห่วงเป็นห่วงที่ไหนไปเกาะนะเห่วงที่ไหนละเกาะเกาะเกาะยังคบขันจะตายเนี่ยเด็กที่ไหนนี่จะเป็นใครไปคนน้องสาวผมเป็นอะไรเวลาผีมาสแสดงตัวต่อต่อต่อเขาหนะต่อมันหนะอีนี่อีล่าอีเลยอืออะไรอย่างนี้ล่ะ มีมาหลายปีไม่เห็นจะได้ตัเก้าปีสิบปีลมันมาเข้าถึงอะไรนะั่งพวกนั่งแล้วมาบอกเข้าถึงอะไรแปลกๆเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาขันดีนั่นแหละเป็นเรื่องที่แปลกอยู่มากนะแล้วมันไปเห็นผี ส, สดๆร้อนๆนี่สิเหมือนคนเรานี่น่ะจนกระทั่งถึงมาออกมาถามเจ้าของว่าเนี่กูนี่มันเป็นผีหรือว่ากูจึงไปได้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงขนาด น, นั้นเถ่านะั้ไปเห็น เห็นผีนั่งอยู่ธรรมดาเนี่ยไปคุยก็ผียิงก็บอกว่าเชียะอะไรเพราะว่าผีอันนี้ชื่อชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนูะแล้วฝังเงินไว้ตรงแถวนั้นแถวนั้นอะไรแล้วบอกให้ทางนี้ไปขุดเอาให้ขุดเอาเงินมามันแตกนะเขาก็มากระซิบกระซาตรงนี้เนะ่ยมาตั้งสิบกว่าปีเลย แล้วก็บอกด้วยนะว่าไปนะฟังข้าเงินไม่ตรงไหนบอกด้วยนะคือเห็นมาสกุลนี้เป็นธรรมฟังเหตุผลที่จะให้นะฟังว่างั้นนะสะกุลนี้เป็นธรรมถ้าที่ดูมานี่สกุลนี้เป็นธรรมไม่ควาเบียดเบียนไม่ควาอะไรใครเป็นสกุลที่กว้างขวางเลยว่าพินเมตตาลุงสามอยากจะให้ได้เงินแล้วก็มา มันเข้าสิงใครมันเป็นท่อมฝันนีืเป็นอะไรนี้แล้วมันนัดวันมาจริงๆให้ไปหาแล้วนี่กับไปจริงๆนะพูดถึงขนาดนั้นนะมันเขาขันเอย่างมันก็แปลกนี่แหละไอ้พูดที่ไปมันกระทั่งมาหามาอ อ, ออกมาจากถือแล้วเห๊ะมันกูเป็นผีไ ป, ป, ปได้หรือกูเป็นเป็นยังไงหรือกูเป็นบ้าไงก็ได้ดีอยู่นี่มั้แล้วทําไมกูไปพูดกับผีได้อย่างโห้เป็นตุเป็นตาวเหมือนพูดเหมือนคนจริงๆเลย แล้วก็บอกให้สูเอามวลบุหรี่มาให้ด้วยฟังที่คบขันอยู่เลยแล้วก็ไม่อยากพูดหรอกเพราะว่าเราเป็นบ้าคนหนึ่งนะผมผ ม, มันมาสัมผัสผมก็เลยพูดเฉยนี้นะผมก็ไม่หวังจะเอามรกรุนควานเนี่ยกับมันอ่ะมันมีเรื่องคบขันกับพูดไปงั้นแ่ะแล้วบอกเวลาไปก็บอกว่าออันนี้ผมจำไม่ได้แล้วมันนานเลยนะแต่กว่าผมก็จําได้เพราะเขามาพูดให้ฟังละเอียดมากทีเดียวนะจําได้เหมือน ก, นกับเรื่องาราเลงจริง นี่ผมไม่จำมาแะเพราะผมก็มไม่ได้ปรับใจกัมั น, นแล้วเวลาก็นนั้นอะ่ะ ใ, ให้ไปบอกน้าเขาเองนะเนี่ยอยู่ข้างๆนาทองไปแล้วเครื่องหมายจะบอกนาเครื่องหมายนอะไปนะนั่นมันจะมีอะไรที่ที่ที่ห ม, มันอยู่ตรงนี้ แล้วจะมีเครื่องหมายอะไรเหมือนกระดาษอันหนึ่งทิ้งอยู่นั้นให้ขุดตรงตรงนั้นแล้วที่เวลาเข้าไปในที่เข้าไปจะไปเจองูใหญ่ทีนี่ยตัวมันมันจะเพ่นงูงูจะงูงูงใหญ่งูจงอางมั น, น, น, น อ, อยู่นั่นเหรอคนอยู่นั่ะยกแขงทางยกกุ้ตาล <c ười> อันนี้ก็ยิ่งยกขึ้นยกขึ้นว่ะวันหลังมาสแสดงทิตแสดงที่ทำไมสูทําไมไม่ไม่ท่า น, น กูก็นั่งเฝ้ากูนั่งดูถุยต่างหากนี่กูไม่นด้เป็นงูเป็นงี่อะไไม่เป็นงูแล้วไองูขนาดนั้นเลเงินจินจะกระตั้งจะสลบนี่แหละงูมันกลัวงูฮะแต่ไปอีกวันหลังคราวนี้มันไม่ให้เป็นงูถ้ากูจะเป็นยั้นงน้อกูจะเป็นคนการนี้หรอเป็นคนจริงที่นี่แล้วให้เอาบุหรี่มากูสือด้วยหนะ้เาเอามาถือบุหรี่โอ้ยบุหรี่เยอะวะเราเท่าเราไปไปจายเอาให้อะอันนีนะ้ธรรมดานี่ไรวะงั้นเอให้ก็ เด็กไฟพาเมื่อกี้ก็ใส่พุพแล้วก็ใส่พุ้อันเสูบคุยสบายเลยงั้นฟังสินนเด็กมันจะมาโกหกผมได้ยังไงแล้วกระังเจ้าของเอ๊ะกูเป็นบ้าหรือไงนั่นเป็นบ้าขนาดนั้นนะกูเป็นบ้าหรือกูเป็นผีไปล้นานนันถึงเป็นขนาดนี้กูพูดก็แล้วคนนั้นคือคนแก่คนแก่ก็บอกว่าแต่ก่อนจะเป็นนั่นที่จะมีเงินนีเพราะแกเป็นเจ้าของทางขนาดไม่มีรับเกณฑนะเขาเขาเรียกภาษาภาษาเขาเรียกเชียงตั้งหายตั้งใ้ เที่ยงสร้างห่ายู่มันตาน่างแต่ก่อนเนี่ยตายไปเป็นผีเผาถิ่นน่ะแล้วก็เล่ามาหมดย้อนหลังใที่ที่มันที่มันน่าเชื่อนะอืมคือคือเล่ามาถึงผู้ น, นั่นคนนี้อะไรเนี่ยถึงมันน่าเชื่อตรงนี้แล้นะ่เที่ยงสร้างห่าหรืองเผามีช่างขายช่างเออเงื่เงื่อนเท่าที่ได้ภาษาเหมันตเที่ยงสร้างหา่าทนี่โยมแม่ของผมก็ยังเห็นที่แค่เห็นเทาอยู่นี่น่ะ นี่ยสำคัญตรงนี้นะอ๋อเสี้ยมสางให้นี่ลรตายแล้วเราไปไปนั่นตอนนี้พอคาวหลังแล้วก็เอาเอาไปแล้วก็เอาบุหรี่ให้บุหรี่ผ้าชาอี่เดียวกองยาพอรับสายสากระสูนปุกปุกพ่วนกุ๊บยู่พุ่ยทมดากับเขาหนิพุ่มพุ่มพุ่ยท้าทมด่าไงโอ้ยเฮ้ยที่หามีคนมาเห็นเห็นอะไดของบ้ากูไม่เห็นเห็นได้บอกว่าสี่ดีล่ะ กูไ่เห็นจะเห็นไหนหรือวะนี่กูแค่เห็นนนท์จังเกีเห็นไหนน่ยสู้เห็นมหกูเห็นเป็นงูสู่เห็นไหมก็บอกว่าจริงจีอหละสู้แลนตาแหกไปเห็นบอกเหั้นกูเ็นเป็นงูน่าเห็นหรือกูเห็นเป็นคนมันก็ลังเป็นคนจีิงจริคุยใช้เสียงแล้วแลบอกเขาเ้ี่ยอาขุดขุดขุดลุ่มยังไงล่ะอาขุดอะไสู้ขุดขุดมากันมันมันมีสองหยอันนี้กระเทียมตัวหัวมันมันนี่เรามีหลอกกูจ้าเล้วนนอแมนบอกเนี่ยไปตรงย่านไปเว้ยไมเือหัว บริบาทยาออกมาที่ว่ามันคบขันน่ะออกมาก็เตรียมนัดกันไดเตรียมค่อยไปยูเป็นปัญญาปัญญาเน้อเอาเพนบว่าเพราะมือนัดนัดแต่เมื่อนี่แย่มาแล้วก็ขุดขุดเป็นมากแล้วกับเมื่อไห่เนียโ่ไห้เองเสียดายเู้สวยปุยเสียดายหลายแต่ปันว่าตับปุยิแตกเาลยก็เป็นไงงอกรปุยจิตแตกปจะไห้ปุเนี่ามนาเป็นปุยเอาไหมบุญแบบนี้เอาใช้เนือใช้ตะเทียมแล้นี่ง ขายตะเข็นมันไม่าน้ำตาเนี่ยถ้าเปิดแบบเบื้งเบืองนูบเบ้งถึงดแบบันนีสองหายยิกันาเอาเบงคหรือเบงนี่จะเงืนเหื่นนี่จะเเงินราการที่ไหนเป็นเงื่อนนบาททกัณฐ์น่อเงินเงินบาทไตังกอท้าวันขังถูวนน่งไว่อนเงื่นเงินบาทจะทำไมราการที่สามที่สเองลุ่เดนไปทีนาเติอด้มากเลยโอาจะอ่อนไม่ได้ กูได้ดูเจ้าพออาให้บังดูบุตา้า่อหน่สดงยังจะด้ดีอ่ะกูเาเส็เดวูล้วทานมจูะไรกูจะไหแคู่ทาัน่าจะได้ขายแบบนี้ก็ว่าอดว่าออไลน์นั่นเดียทนี้อพวกนี้คืมันมันหลานเขาเชื่สร้างหายดีแะเป็นเหรเป็นหยางม่านอ่ดีเนี่ยพวกเนี้ยม่ไเม่มาใชู้นเนเป็นเหลีเป็นเป็นหล่อนมานอ่นะนี่ กระลงสร้างันอยู่นี่แหละมันยึดน้าไหุ้กระลงสร้างกระลงสร้างเขานีละะไรเขาเรียกอะไรกระลงฉีดขนมันโปรงเป็นๆอ่ะแขนเสร้างโปเป็ๆอ่ะมันมันดมันขอเด้ไม่ใคร่กระลงก็เลย่ะมันละมันไหไหวุมันดาเของจอยู่เรียบร้อยยึตรนําผุไหลเนี่ยเขาไม่รักจของสร้างนี่ พอบ่ได้กขอรนัดอีกเนี่ยาไมหัวไหลนัดให้เสร็นคัดเอียดิ้นเนยเอาขืนมาเอาคู่จับได้บอกให้จับเอาคู่จับได้กจับขืนมาคู่จับขนมาเบิ้งด้วยผมบเอาเบิ้งให้มันขั้สิเบิ้งเบิ้งอ่กัมานจบนี้มาเบิ้งโอ้ยยังมได้เอยว้าเลยสิเงาไงไม่ได้ถือ้าสลามเลยกูจะมึงหัวใจมีดขาดส เอาวแล้วกันให้คือที่น่หน้าอีกคนมันกูจะหายอีกไหมคุณัวเอาอี้รักกันห่างหัวมันอยู่อมันคำคัน